อยูด้วยกันให้ดูหัวใจเจ้าของเป็นสำคัญนะอย่าไปดูอะไรผิดพลาดอะไรจนเกิดเป็นทั้งยาหลมขึ้นมาเครื่องคุ้นข้องหมองใจตัวเองจมกระทั่งเป็นขึ้นมาภายในใจและระบายออกไปภายนอกระบาดออกไปายนอกนั้นไม่ถูกหลักธรรมระวิในใครๆก็เห็นอยู่แต่เพราะอย่างนี้หลักธรรมคือหลักจะต้องปฏิบัติเห็นอย่างนั้นไ ม, ไม่ชอบใจมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนั้นนั่นในกิต ความเกิดขึ้นมาจากนั้นนั่นในจิตเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจะแก้อะไรเดีนี้แก่กิเแก่ตัวของเรานั่นนั่นทันทีทันทีผู้ปฏิบัติต้องมองดูงข้างนอกแล้วมองดูข้างในมันทันกันดิอันนี้โอ้อยทําทไงพูดอะไรสัง่งอะไรไทยทําทอะไรนี่มันก็เห็นความบุกรองบุกรข้องบุกรุกข้องจ น, นได้แม้แต่ปปฏิบัติเราในกุติล้วก็จะตายแหละเราทนเฉยๆนั่นน่ะนะ หมูขั้วเป็นปฏิบัติผมไม่ได้ว่าหวังความสะดวกสบายจากหมูขั้วหมูขเพื่อนพฤติกหัดตกลงให้เป็นประโยชน์แก่หมูขั้นทางหาทําไมเราจะไม่สังเกตไม่บอกว่าสังเกตมันก็เป็นอยู่ในหัวใจนี่เป็นอาจารย์คนมองจะช่วยจะซ่างจะช่วยจะซาจะหาความเป็นได้ยังไงพอพูยนี่ก็คิดถึงในปุ๋ยมันไปทําไมไปเล่นอยู่นั่นปุ๋ยไปไปที่แรกก็ไปเห็นอยู่นั่น คนนั่นกรรมอาจารย์ก็ไปเห็นเล่นอยู่คนเก่าเนะนี่ยมันอะไรอันนี้มันเป็ซ้ำตรงสถานนั่งหน้ามันมีอะไรอยู่นั่นนะ่ะไปดูสไดิไปดูหน้<ม>าไปดูหนูตายแลกระแตตายมันอยูอยู่นั่นมันเป็นเล่อนึ่งกับหนูตากระแต่ตายนั่นนั่นแหะเนี่ยถ้าดูเฉยๆไม่คิดเกิดก็เห็นว่ามันเล่นธรรมดาอันนี้ไปที่แรกก็เป็นอันหนึง่งเห็นที่ครั้งที่สองไปอยู่ที่นั่นอีกมันเป็นอะไรก็ต้องคิดคิดแล้วไปดูมันสิ่งจริง ๆ, ๆเจนเอาให้เด็กเอาอะไรไปฝังขุดฝังกระแต ตายหรือกนหนูตายกันรู้เหละเพ่อนเถียนฮั่นแต่คิดมันก็ได้ทํำไมคิดก็จะได้อะไรสังให้หมู่เพื่อนทำอะไรอะไรนี่นก็ดูไอท้ที่ร้านเร า, เ, ราเล็กๆุูข้างนในเราเคยเอาหินไปใส่แล้วมันได้ปัดกวาดออกซะจนหมดนี่หมู่เพื่อนเอาหินไปใส่กันมันจะต้องได้เอาดินไปขบมันล่ะถ้าต่อต่อไปก็หมดไม่มีเหลือแหละ ลองใส่ทดลองดูแล้วมันไม่เป็นค่าก็เลยจะปล่อยมันเหมือนน้ามันตกลงมาเเสาะมันแล้วก็ถมอีกกี่เป็นไรไปต่อไปใครจะเอาหินมาใส่นะั่นใครกระจับยากเราไปดูแล้วยังจะได้เอาดินทับทับกันทั้งหน่อยไม่ได้เลยพังไปหมดหปัดกวาดคงแถ่นั้นไม่ได้เลยแบบนี้ไปปวดกวาดกู้าก็ก่อนพยาท่านหรือเฉยก็พร่องท่า น, นอะไรแบบนี้ เนี่ยหลักใหญ่ไปไ็ไงต้องปูแหวนกับมืนกันถจะมีที่ไหนที่ยึดเป็นหลักกันนออนนก้นมันจะมีตัชื่อกับมาตรฐานมันว่าไงช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยกู ว, ว า, าจ้างกับมันจะไปอาศัยกูว า, าจางกับ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เรื่องอะไรช่วยตัวเองไม่ได้จนถึงเล็กจนตายมันมีได้เรื่องอะไร เล็กกระทบกระบวนใหม่จะมาสร้างถึงตายเฉยไม่ได้เรื่องเในดา ว, วไม่มีดาววิญีาณในใจิตใจเป็นประโยชน์อะไรจิตาความเพียนเป็นของที่ปลุกขึ้นได้ด้วยอํนนานาจของปัญญาเ่ยพิจารณาไก่กองวันเกิดขึ้นเองจาิต า, าความเท่าเลี่ยนความขยันทุกสิ่งทุกอย่างมันไปกันตามกันถ้าใช้ความคิดบ้างอันนี้ปล่อยให้เกิดเรื่องอารมณ์ของโลกมา เหยียบย่าทําลายนะนี่จะอารมณ์ของโลกเรจะจะมีอะไจะมีทําได้เกิดได้ยังไงกี่ปีกี่เดือนก็ท่านะสอนขี่้ น, นไปตรงนี้ทำไมไม่ดูจุดสําคัญอยู่ตรงนี้จะแท้มันเห็นบ้างไหมที่ท่านสอนกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานข้า่นนั่นอ่ะมั้นเห็นมังนมางที่เป็นยังไงผู้ที่เจ้าผู้เล่นเหลือแล้วติดนั่นแนะ่ะติดกับสิ่งนี้เราติดเล่นหรือเราติดจริง แ้วท่านสอนทนสอนแก้จริงๆทาไมเราไม่เอามาพิจารณาให้มันทันกันกับจริงมันจอมปลอมติดจะติดทีดดด่จนจริงจนจางจ น, จ น, จนหาที่ออกไม่ได้จนไม่สนใจจะหาที่ออกเรายังไม่เช้ามันติดจริงหรอเนะี่ะแล้วจะนํำธรรมะเขาซึ่งเป็นเครื่องแก้เข้าไปแก้ด้วยความสิงทายเห็นเป็นของปลอมไม่สนใจไม่นำผ่าไม่ดูดดืม่มสริงที่ดูดืมมดด่มมันมีแต่เรื่อแน่แล้วทํามาจากที่ไหน ที่ไหนเดียนี้มันมีแต่การก่อการสร้างนะแข่งกั น, นสมบัติอะไรตรงนี้สร้างหัวใจมันไม่อยากสร้างมันถือว่าเป็นความลำบากลำคาญเอาเรื่องข้างนอกมาแก้ลำคาญมันเพิ่มลำคาญหาทางออกไม่ได้มันไม่คิดมันยากตรงไหนแจ่มตรงตรงนั่นสิมันทุกข์มันลำบากตรงไหนวัดกันลงตรงนั้นสิถ้าอยากจะเห็นเรื่องของกิเลสกับธรรมเอาอยื้อแย่งแข่งดีกันก็เอาตรงนั้นสิมันจะได้เห็นแพ้ชนะตรงนั้นที่อื่นหาทั้ง คำว่าแพ้วชนะไม่ได้แหละนอกจากหมอกลาบหมอกลาบเท่านั้นตรงนี้จะเห็นได้ดูความแพ้วชนะเนี่ยมันลาคาญไะกําหนดพิจนาความําคาญเอาเป็นอารมณ์เลยพิจณาเลยหมุนกันอย่างนั้นนั่นเลยเป็นความเพียนขึ้นมานี่มันเคยเป็นมาซะพอแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากพวกที่เด็ดเดี๋ยวย่ำทำาด้แต่พาะอย่างยิ่งคือเวลาออกปฏิบัติแต่ก่อนก็ไมไ่สนใจอะไรมากนะเรียนแบบนี้นจะได้ท่านได้ภูมิไป แกยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเรียนแล้วจะตั้งจ ะ, จ ะ, จะออกปฏิบัติเพียร์ธนาเ น, นี่ยมันฝังเรียนแล้วออกปฏิบัติจริงๆแต่ใ น, นขณะที่เดียวนั้นก็เดี๋ยวพิจารณาอะไรมากนะแล้วออกปฏิบัติแล้วสิมันที่เดพิจารณาเรื่องนี้ดูเฉยๆมันแหมมันเหมือนไฟแม่แฝดอย่างนะสูงอยู่ภายในนี่เอมันยังไงกิไม่ได้เรื่องเ ล, เลยหรอทาไมมันร้อนเป็ น, นไฟในกิ หาเหตุหาผลไม่ได้มีนะคือเราโง่นั่นเองไม่ทราบมันไะกว่วนเอาอารมณ์อะไรมามาเป็นกองเป็นแบบขึ้นมานั้นมันไฟมันเจาะ อ, อยู่ในนั้นแล้วมันก็เผาอยู่ในหัวใจนั้นอะไรอะไรเป็นมาตราพรอแล้วนะมันไม่เห็นโทษของมันโอ้คือเหล็กไม่ว่าชนิดไหนเถอะมันเป็ น, นไฟได้เหวกันทั้งนั้น พอจิตสงบลงเย็นพอจิตสงบเป็นสมาธิได้รู้สึกเย็นอ๋อทีนี่นะหายใจเหมือนกับว่าทั่วท้องหายใจถึงปอดตอนที่จิตไม่สงบนี้ดูในก็เป็นฟืนเป็นไฟเทาจะของเัินพอจิตสงบลงไปแล้วมันเย็นจิตมันชอบขี้เกียจ สงก็จะอยู่สงเันไม่ใช่ทางกันดาอยู่นั้นอีก่แล้วเรื่งความสงบความเย็นความแบอทไอาจารย์นี่เหมือนนั้นก็ไม่มีึนกว่าได้ถูกควาแม่ของอาจารย์ตหน้าผาเอย่างแรงมันถึงได้ออกพิจาเวลาพิจนาไม่ได้เห็นโทษนันมันพอดีเท่าลำแสงของเราเจ้าที่แนะนมาสอนหมู่เพื่อนอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยสอน จังหวะที่พอดีจุดพอดีพอดีเลยจริงเพราะผ่าผลเราเคยเป็นมาแล้วฟุงซ่างฟุ้งมาซะจนพอสงบสงบมาซะจนพอสมาธินี่นจะพูดเต็มปากเลยว่ามันแน่นเหมือนภูเขาเหมือนหินแต่มันเท่านั้นนะแน่นตึงองนั่นตลอดหยุดนี่ให้หยุดเมื่อไรได้นั่นอ่ะฟังสิ มันทำนาแต่มันได้แค่นั้นมันจะรู้แนวอย่างนั้นมีแต่ความรู้อันเดียวแนวไม่มีสองกับอะไรเลยสุดท้ายก็ว่าเนี่ยคือนิพานนิพานอยู่ตรงนี้มันกําหนดตรงอยนั้นมันก็มีอะไรอ๋อก็กินปลาทั้งก้างดูวมันอมไวนั้นหมดเป็นกระดูกเป็นก้างมันอมไว้นนสมาธินั้นหมดเราไม่รู้ เมื่อนาไปขี้คานออกปัญญาถึงว่าโอ้นั่นกระดูกอระนี้ก้างมันก็รู้แหละที่นี่แยกออกแยกออกแยกออกแพ่วพราว อ, อกีกทีอันนี้เลยอยันนี้เลยกรรมมาทำหนึ่สมาธิอธิมีโอ้มันนอนตายเสฉยสมาธิไม่เห็นได้เรื่องเรื่องราวอะไรพิจารณาทงางด้านปัญญามันรู้เหตุรู้ลผลรูล้หนักรู้เบารู้ต่อยรู้วางเป็นลําดับลําดาไปโอ้อยสมาธิมันนอนตายเสฉย นี่มันกับไปแสดงเปิดเปิงมันไม่เข้าสมาธิหาวะนะสมาธินอนตายเฉยเนี่ยมันไม่อพอดีนักธรรมต้อมีไว้แต่มันไม่กับไปไสนใจท่านสอนไว้ในเรื่องส อ, อนไว้ในอะไรนะในธรรมบทก็มีแต่ดนั้นปัจจนาพิจารณาทางปัจจนาเมื่อพิจารณาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้าสู่สมาธิพัก ก็ากำลังทำงานแล้วออกพิจารณาแล้วก็เข้าพักเป็นเน่นบอกเป็นบตอนเป็น ท, ทอดๆไปท่านมันก็ไม่ไปนสนใจทั้งๆ ท, ที่เรียนมาแล้วเวลามันจะตายจริงมันถึงได้เข้ามามาเข้าพักสักทีหนึ่งยับยั้งจิตที่มันค้นคว้าส่ว น, วนในมีวันมีคืนเข้ามาสู่จุดสงบบางครั้งมม่แม่มันชิดมันปรุงด้วยคําบริกรรมก็มีบางทีพุโทโธพุโทโธที่ยิบเลยไม่ให้มันออก ออกออกไปทํางานนไม่ใช่ออกไปเพื่อเพื่อเห่ใหม่อันเพ่อเม่ไมันออกไปทํางานไปเพื่อถอดถอนชี้เล็ดแต่มันมีมันนไม่เศร้าทางสันคมเอาสันลงอาคมลงทั้สฟันตะพัดตะคืทางข้างลงก็ไม่รู้แ้วถ้าก็มีกาลังขอยออกไปแล้มันถึง่อยถึงเลยนั้นก็รู้แต่าอํานาจของความเพลในการพิจารณามันมีกําลังมากกว่าที่จะมาสนใจกับสมาธิ จนกระทั่งมันผ่านไปได้เพิงมารู้ทีหลังอ๋อเป็นอย่างนั้นอย่นี้ที่ว่าทิาทันาอุทจฉาอุทจฉาในสัญญุธเบื้องบนก่อนเราก็ไม่เข้าใจอุทจฉะความฟุ้งความเทินในการพิจารณาจนเกินตัวไม่ใช่ความฟุ้งเพื่อเหินไปตามโรคตามสารนะอืออุทจฉานี่หมายถึงความเทินในความเพียรในการพิิจพิจารณาการถอดการถอนที่เด็ดยังไม่ทราบว่าเอาทางสันทางคมเอาทางข้างลงฟันมันดะไปเลย ไม่ถอยแก็ไม่ได้ผลเท่าสี่ควนพท่านชืเรียกว่าอุทะจะนี่ก็เป็นสัญญอ์เครื่องข้องอันนึงหรือเป็นโทษอันห น, นึ่งมะนะมะนะท่านกล่าวไว้ในหนังสือมานะเก้านั่นแล้วจะอะไรท่านแยกประเภทไปต้นต่ำกว่าเขาเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยตน เสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าต yeah. like ่ำกว่าเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาะต้นยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ํากว่าเขาสาคัญว่าเสมอเขาอสําคัญว่ายิ่งกว่าเขาไงคือมันมีเขี่ยวแหลมแหลมคมอยู่ในนั่นในจิดนั่นะมันเอานั่นออกแข่งออกเทียบใครจะเราจิตของเราจะเป็นยังไงนหมคนนั้นคนนี้จะสู้จิตงเราได้ไหมอะไรๆเนี่ยมันเทียบนะถึงขั้นนั้นนะมันเที่ยวมันแหลมเที่ยวที่เลนแหละ มีละเอียดมีอยู่ภายในมานะเก้าไม่ผิดยอมรับทันทีเราคือความสำคัญเก้าอย่างนั่นแหะค่าความสำคัญตนเก้าอย่างรูปราคะรปราคะมานะอุตจาวิ ช, ชารูปราคะหมายถงความดีในรูปฌา น, น, นนะรูปรสมาธิ อรูปฌานในเวทนาอารูปฌาอารูปฌานหาืในเวทนาเวลาพิจารณาแล้วมันถึงได้รู้ชัดชั่งน่าอะไรนะเวลามันเป็นใ น, ใ น, ในของอ๋อมันเกี่ยวกันปับป๊บปับ๊บได้ความเลยหายสงสัยไปเลยเพราะนี่เป็นความจริงเนี่ยอันนั้นเป็นความจาเมื่อความจริงเด่นขึ้นมาในใจแล้วปรากฏขึ้นใน ใ, นใจมันกันยอมรับทันทีกันทืม คำราคาคำาราคะราคานี้เอาไม่ได้หมายถึง เ, เป็นความกังนัตยินดีเหมือนโลกทั่วไปนะก็คือความติดใจพอใจในอนั้นเท่านั้นเองแหละแต่มันไม่มีศัพท์ที่จะมาพูดให้แตกต่างนั้นไปศัพท์ภาษาบาลีราคะคือความยินดีความติดใจในอันนั้นเท่านั้นคือมันยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ สิ่งนั้นรูปราคะอรูปราคะมานะัจจะคือความฟุ้งมานะคความสำคัญเก้าเก้าอย่างหังนั้นก็เป็นอวิชชาน่มันจสัญญุต้างบนแล้วก็ฝห็ฝพอมันเจอเข้าเน่มันก็เข้าใจหมดอนนั้นกมาอุตส่าห์ มันจะไปเกี่ยวกับอุทจะกุกุจะในนิวรณ์ห้านั้นไม่ได้เนอะมันเป็นคนโลกอันนั้นมันเป็นของเป็นไปในบุคคลทั่วๆไปอุทจักขุกจะในนิวรณ์ห้าแต่อุทจักขันยุทธ์บนบนนี้มันเป็นอย่างละเอียดคือความเพลินในความเพียรเมื่อเดินจกรมนี่กับลืมตัวไปทำอะไรก็ลืมในล่เวลาไปหมดมันมีแต่ความ เพียงมันหมุนตัวของมันเป็นธรรมจักรอยู่ในใจไม่มีเกี่ยวข้องกับวไรนอกจากความเพียนโดยเฉพาะเฉพาะเท่านั้นลืมวันลืมคืนลืมปี ล, มลืมเนมหน็ดลืมเหนื่อยลืมอะไรไปหมดหมุนนั้นลืมสนใจภากสมาธิด้วยซ้ำไปบุ่นเือนกับงานตกต่อยไต่กันอยู่มั่นหมอุทจะนี่พรมนผ่านไ้มนก็รู้ อ, อ๋อนีเยอะจ ฟุ่งเฟนกินตัวเฟินเกินตั ว, ตวมันก็ไม่พอดีไม่ถูกเนี่ยเวลาจะเอาแค่นั้นนะอำนาจความสำคัญมีความถือก็ถือตัวนั้นนะถือตัวอันชาแล้วอันชาพอเข้าถึงกันแล้วอันชาจะแตกกระจายไปแล้วที่จะว่าอะไร พอน้ำแตกวัตตะแตกแล้ววัตจิตแตกเหลือแต่วัตจิต ร, รู้บรสุดก็รู้เนี้ยมันชิพไายไปไหนล่ะอันนั้นส่วนที่มันมาเป็นเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับดานเป็นอาการทั้งนั้นเป็นสมมติทั้งมวลจนเข้าถึงขั้นละเอียดที่อยู่ในสา ย, ยุทธห้าหนึ่นี่นี่แหละสมมติอันละเอียดที่เด่ดนละเอียดพอหมดอันนี้ไปแล้วมันก็ ม, มีปัญหาเลยรู้จะรู้ จะมาดูเศร้าจะว่าเศ้ามองผ่องใสหรือมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งมวลเป็นสมมุติทั้งมวลมันไม่ไปเศรมองก็ไม่ไปผ่ปองใสก็ไม่ไปมันอยู่ตรงกลางนั่นแ่ะถ้าว่าเราจะแยกเป็นสมมุตินี่มอยู่ตรงกลางนั้นศูนย์อยู่ก็ไม่ไปเอศูนย์ก็ไม่ไปยังอยู่ก็ไม่อยู่ศูนย์หรือมีอยู่เช่นศูนย์ไปแก็ศูนย์นี่ก็ไม่อยู่เสีย มีอยู่อย่างโรคทั่วไปก็ไม่อยู่เสียอยู่ตรงกลางนั่นฟังซินั่นแหละแท้อยู่ตรงนั้นนะอันนี้คนเราที่มันมีความไม่พอดีฝังอยู่ในใจแล้วมันไม่ลงในความพอดีนั่นนะมันจะเลยเถิดอย่างนั้นแหะสูงก็สูญไยแหละมีอยู่ก็มีนี่นี่ผ่านมีอยู่นี่ไปเลยลมีอยู่แบบโลกมันผิดอะไรกับโลกมีอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวอัน น, าานี้อย่างตัวคางตาตาสิไง หนึ่พออ่านพอพูดอย่งนี้นนนได้กันหนึ่เราียกได้ม่ชีคนแม่ชีนี่ชื่อว่าอะไรนี่ผมดูชื่ออด้ดูว่าต่างนามพูดสมเด็จะทํากราองนี้แหะองค์หลวงชว่าจิรยา น, นวงค์งท่านต่งให้ท่านเชนรับรองให้อะไรบ้าขนาดนี้ท่านก็ไม่เชนเลยสิชนเนี่ย อนิพานวัฏฏาศูนย์กลางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเราอา่อานแล้วอ่านเราอ่านอย่า้อยชายนะหนังสือเล่มบางๆเม่กี่วันนี้เขียนอ น, นิพาน ม, มีความกว้างนั้นมีความลึกไอะไรอะไรวัฏฏาศูนย์กลางเปงน็นอย่างนั้นนี้นนะอะไรพอเราอ่านแล้วเราขบขันนี้จะไพ่ท่านเซ็นเซ็นอะไรท่านไม่อยากเซ็นบ้านเซ็นลงไปก็คือเซ็นรับรองบ้ากัน สุดท้างก็เป็นบ้าทั้งสองทีนี้สาเด็จท่านไม่ใช่บ้าทั้งเปอรเซ็นอะไรมเด็จชลระลาแต่เราเซอ่อๆอย่างนี้เรายังไม่นอกจากจะจับสมมติเรานั้งสูเราก็จะจับตีเ้าผ่ามตอนนั้นเองจะเส้นหาความหมายไปไหนอัว็ไปก้องกินมาหาเศรษฐาจากใครไปอะไรทำไมเพราะว่าเร า, าสาัยกขวัญนี้นั่นด้วย จะมยื่นมาเรามากหน่ยเรจะจับปักตีงผาขงมเชนไงคาแมวไงถ้ามันเป็นของจงปอเป็นของกินเต็มส่วนแล้วมันจะเช่นนเสยงเป็นปัญหาอะไร่ว่ามึงรั่มึงเป็นบ้าเลยเดี๋ยวนี้อีสันากจะวางไงเรามีิสัยตลกด้วยมันพูดแล้วโขนขันพูดสนุกไปเลยใช่ไ่ว่าสนุกแบบโลกมัโลกแล้วแต่นิสมันมีมพูดยาโยงมันจะตลก ต้องหัวลอกกันลั่นพูดอะไรแบบย้อนหน้าย้อนหลังหน่อยคนที่าชความคิดงานนี้คคนหนึ่งที่มาก็นหมอหมาหาอะไรคอนจังใส่กันชเอาหนักเหมือนกันนะเปี่ยงเปี่ย ง, ยงยพูดไหเป็นเรื่องกันเรื่องพูดที่ออกบวชมื น, นกับ อ, กอะไรปิดตัวไปหน อคนเดีย ว, วไม่ทำประโยชให้โลกเป็นลักษณะ น, นั้นอันนี้ดีจากสังคมเพราะว่าไม่ช่วยสังคมเเพราะว่าปั้มขึ้นมาปุ๊บไปทันทีพระพุทธเจ้าสัทะเทวรษานังเห็นไหมว่าเป็นนักสังคมหรือไม่สังคมพิจารณาดิมีใครบ้างที่เป็นศาสตราเป็นครูของโลกทั้งสาม ใครวัดเก่งออกมาก้วยเราเป็นนักสงเคราะห์เป็นนักสังคมช่วยสงเคราะห์คนได้มากยึ่งกว่าพุทเจ้ามีหม่ยว่าภหารหานแต่ละองค์ะองค์ล้วนแล้วต้องเป็นนักสงเคราะห์นักสังคมแล้วยสอนโลกใครได้ไประโยชน์ได้ใครได้มากยิ่กว่าท่านใครทำมากยิกว่าท่านภาระมากยิ่งกว่าท่านแม้มแต่หมวงา บ, บัวตัวโตหนูนี่บางวันเป็นแค่ลมตับตายนอนจะไม่หลับ น, นคนมาเกี่ยวข้อง แต่ว่าสังคมไม่สังคมพีนาที่ศา ส, สนาทำปร่งขวายน้อยไม่เห็นใจใครได้ยังไงศาสนาไม่สอนคนให้จะดำน้ำขุนเลยนะใครจะนิมมีความเมตตายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระสงฆ์ท่านผู้เป็นอัตติธรรมนี่เลยเหรอวนะวะเนนี่ยยังกับ วุ่นเป็นเรื่องโรคเรวุ่นวายเรื่องวุ่นวายมันเรื่องของกิเลสต่างหานี่เรื่องธรรมไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายไม่ทําความวุ่นวายให้แก่ผู้ใดแต่คนไม่อยากสนใจความไม่วุ่นวายมันอยากสนใจความวุ่นวายต่างหานี่ความโลภมันพาคนให้วุ่นวายไหมความไม่โลภมันพาคนไวที people, people <They S 1> ่ไหนความโกรธมันพาคนให้วุ่นวายให้เดือดร้อนให้ทำลายกันความไม่โกรธทําลายไข่เนี่ยพิจานณ์ซิ อือนะนะนะ